พราะงานนี้เราถือว่ามาเรียนรัดว่าจะมาเรียนธรรมดาเพราะฉนั้นข้อมูลเขาค่อนข้างพร้อมเลยถ้เรียนรัดแล้วมันได้ได้ผลไวไงที่เราต้องมีข้อมูลที่อาจารย์คมกิตพูดไปทั้งเช้าเข้าใจเรื่องการกิบอาระะมณ์ยังเข้าใจเลยใช่ไหม เ, เราจะเอาไปทำเองได้ไหมทําได้ไหมได้ ทีนี้มาในรายละเอียดที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องรูปน้ำเนี่ยเขาเขาก็เมื่อเขาเป็นได้ทั้งสังขารและวิสังขารเนี่ยตัวตัวน้ำนะแต่รูปเนี่ยมันเป็นสังขารโดยประการเดียวสิ่งถ้าเราจัดการมันไม่ถูกนะมันมันยุ่งยากมากเลย เพระฉะนั้นสัมผัสสัตทุกตัวตนที่เกิดมาเนี่ยก็จัดการเรื่องนี้ไม่ถูกมันถึงได้ทุกข์กันข้ามภูเขาข้ามชาติไงชาตินี้ยังไม่จบตายไปชาติใหม่ทุกข์อีกตาย ไ, ไปชาติใหม่ทุกข์อีกแต่คนไหนจัดการเรื่องนี้ถูกจบกันในชาติเดียวไม่ต้องไปเวียนว่ายได้เกิดอีกซึ่งสิ่งนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วมาบอกเราแล้วเราไม่ใช่ผูดโดยเองบอกเราว่าเรื่องรูปมันเป็นสังขารโดยฝ่ายเดียวเนี่ยเราจะจัดการยังไงให้ใหมัน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 ฉีดยาบ้างไหมเนาะแต่เดี๋ยวนี้อยู่คนไปยุ่งกับมันมากเกินไปไอยช้างก็ฝอยปุยป่ยพราคนนั่นแหละนเวลามาสังเกตเวลาสุนัขไม่สบายนะไปไล่และเล่นกินยอดหยาสองสัปดา์มันก็หายล้วแล้ ก, ลอ ก, อ ก, แลก็สําลอกไอ้พิษออกมาเนี่ยแล้วก็สัตว์บางตัวเนี่ยมันรู้ว่าไอ้ต้นไม้ไหนเป็นยาเวลาไม่สบายขึ้นมามันก็ไปหาต้นไม้ต้นมากิน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 เรารอให้มันไอความเจ็บป่วยมันรวบ ร, รวมกันเป็นชุดเหรออ่ะไปหาหมอเพนแพ็กเก็ตแพ็กเก็แล้วเท่าไหร่แล้วก็จ่ายแล้วตลอดชีวิตหาแต่เงินเพื่อจะมาจ่ายค่าแพ็กเก็ตให้คนมาดูแลรักษาสุขภาพเราเองซึ่งหมอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเยอะๆการเจ็บป่วยของเราเนะี่ยหมอไ ม, ม่มีโอกาสที่มาสร้างอโรคภัยไข้ขเจ็บอะไรให้เราแต่เราทําไมไปพึ่งหมอเหลือเกินหมอมันก็ป่วยไปตามกัน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 หาวิธีจัดการมันให้ได้เพราะอะไรข้อมูลแพทย์ทางเรื่องข้อมูลแพทย์เย็นบอกเรามาหมดแล้วแต่เราเอาใจใส่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะเราจะมาช่วยสอบกับตัวเองใช่ไหมแล้วมันจะควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสังขารโดยเองได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรนะแต่ด้วยอะไรด้วยอวิชชาของเราเองที่รู้ไม่เท่าทันแต่ย่งไรก็ตามผู้ที่ไมาศึกษาเรื่องวิปัสนา ก็ยังไม่สนใจเรื่องนี้หรอกเพราะว่ามันเขาไม่ได้สร้างธรรมเนียมเพื่อการดูแลตัวเองแต่ปัจจุบันนี่มีแล้แพทย์ทางเลือกเราเกิดขึ้นตามลาดับนำมาสนใจตั้งปีนี้แต่เมื่อก่อนอำมาเป็นโรคไขไยด์เจ็บมากไงตั้งแต่ปีสองห้าถึงสามปดเนี่ยเป็นสรารพัดนะเพราะว่าในช่วงนั้นเราบุกเรื่องปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องร่างกายนะ เ, าเดียวเป็นไสติ ไอ้อักเสบเดี๋ยวเป็นลิซดวงทวารเดี๋ยวเป็นโรคเกาพ่อเดี๋ยวเป็นโรคภูมิแพ้เดี๋ยวเป็นโรค <c oughs> ไมเกร์เดี๋ยวเป็นโรคปวดหัวโอ้สารพัดเลยนะเอ้ออะไรมันกันนักหนานะที่วันหนึ่งก็ไปอ่านดิเดสารเจอเรื่องเรื่องของหมอแพทย์ทางเลือกของหมอแล้วสุคนภูมิพันุวงศ์เรามาอ่านน่าสนใจ <c oughs> ตอนนั้นจัดอบรมอยู่ที่จังหวัดระยอง หมอรสุขคนอยู่ที่ไหนนะไปสืบไปสืบมาเอาอยู่รียองนั่นเองไปเชิญมาเลยพูดถึงเรื่องเพราะด้นในช่วงจัดอารมที่นั่นก็ไปเชิญหมอรสุขคนมาพูดถึงเรื่องน้ำผักแล้วก็สนใจน้ำผักกันใหญ่พอ mm hmm. กินน้ำผักได้ระยะหนึ่งเออค่อยดีขึ้นนะแต่ว่าตัวโรคที่เราหายเนี่ยก็ไม่สนิทนะโดยเฉพาะภูมิแพ้นี่เอาเรื่องเลย พอที่แพร่มันมีมูลพิษเยอะเพราะว่าแพรแสงเทียนไปตั้งอยู่ท่ามกลางมูลพิษเพราะว่าชาวบ้านปลูกยากันรอบวัดเดี๋ยวหน้าปลูกยาใช้ยาแรงใช่ไหมกมอกซูนเลยเพดาโก้เลยอะไรเนี่ยเอาก็หน้าอบยามาก็เอาเล็กในอบกินเล็กนอบเราอีกอามาก็เลยอยู่แพรแสงเทียนไม่ไหวแล้ปีต่อมาหาเรื่องออก อาจันให้จันคงกีจันคงดวงศิลจารย์นก้กสิลนอยู่ต่อทั้งสองท่านก็โดนหนังกันะก็มาก็เลยหาทางออกที่ต่อมาก็มาสนใจที่ละเอียดในรายละเอียดมาสนใจเรื่องชีวจิตของหมอสาธิตก็มาทานชีวจิตมาสนใจเรื่องอาหารปัญญาของหมอสุธิวัตรคำภาเนา สนใจเรื่องสมุนไพรทางต่อมาเลยๆจนที่สุดมาเจอหมอเขียวนะฮะก็เลยทุกอย่างมารวมที่หมอเขียวหมดเพราะอะไรเข้าสู่ต้นโตของของของโลกคือวิเคราะห์ธาตุอยู่อเมริกาก็สนใจเรื่องกรุ๊ปเลือดนะฮะว่าเราคนกรุ๊ปเลือดอันนี้กินทหารประเภทไหนอร้อนยังไงเย็นยังไงแต่ก็ไม่ลงลึกภูมิปัญญาแบบไทยพอมาเจอหมอเขียวในภูมิปัญยาไทยเอามาตรงนี้หมดเลยก็เลยไป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 เอามาใช้กับตัวเองเอาเอาไม่ชีเอาพระที่วัดนะ่ะไปองรมกันหลายคอร์สของพกไม่ชีเนี่ยที่ต้องดูแลเรื่องอาหารธรรมาต้องไปให้ไปศึกษาตรงนั้นเป็นวิเศษให้ไปเป็นเดือนเลยตามหมอเขียวไปเขาก็มาจัดการามาก็ได้เรียนรู้แบบนี้แล้วก็เชิญอานะจารย์สุธิพัฒรมพาไปให้ความรู้เรื่องนี้ที่อเมริกา อ, กอามาก็เผยแพร่ที่อเมริกานะ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 มาจากอเมริกาอุณหภูมิสิกว่าฟรีไฮเอมาที่นี่แปดอุณหภูมฟรีไฮช็อกเลยนี่มันตอบไม่ทันไข่อยู่สองสวันก็โจมตีไข่อีกเนะียโจมตีไม่ไหวใช้ยา ห, หมอช่วยเราในชอยสุดท้ายดังนั้นมันไม่ทันที่จะทํางานคือลุยมาเด็มที่แพทย์ทางเลือกเอามาอยู่เอาแพทย์ปัจจุบันแพทย์ปัจจุบันเอามาอยู่ทําทุกทีแห่งมันอยู่ไม่ได้หรอกโรคหัวใจในที่สุดแล้วก็อันหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้เลยเรื่องรางสารพิษ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 แต่ถ้าหากพิษ ต, ตกค้างเช่น ว, วล า, ากินอาหารที่แปลกๆเข้าไปแล้วก็ไปสัมผัสกับคนไข้บางครั้งามาก็ดูแลคนไข้ที่เขาเป็นหนักๆ ก, ก็ช่วยเขาก็พิษก็มาเข้าตัวเราทีนี้เราก็ต้องใช้ดีท็อกช่วยก็ถ้าพิษเข้าตัวเองสิ่งที่กำเริบมนแรกที่สุดก็คือภูมิแพ้นเนี่ยแหละเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นกรรมาพันธุ์ด้วยพ่อยมแม่เขาเป็นมาติแสตามา่ามาก็ต้องมาแก้ อันนั้นเองตัวไหนที่เป็นกรรมพันธุ์ตัวนั้นจะรักษายากกว่าเพื่อนแต่ตัวที่ตามมาที่หลังเนี่อรักษาง่ายเพราะว่ามาเกิดจากเหตุปัจจัยเรื่องอาหารเรื่องอากาศเรื่องแต่ว่าที่เป็นกรรมพันธุ์เนี่อรักษายากเพราะอะไรเพราะเรามียีนมาที่ไม่แข็งแรงได้มาจากพ่อจากแม่ซึ่งตัวเนี้เป็นเขาเรียกเป็นวิบากกรรมที่ราได้มาแต่อดีตเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเลย เพราะเราสามารถสแกนร่างกายของเราเองได้มันเป็นจุดไหนอย่างไอทค้องนี่วเพราะมันอักเสบอยู่ที่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ ล, อลําคอเรานี่แหละถ้าเราไปกินแค่อักเสบเดี๋ยวมันก็หายแต่เราไม่กินแต่เราต้องดูแลาตามธรรมชาตินี้แต่ก็ทนมันหน่อยทนั้นเองดังนั้นเองร่างกายมันเป็นรูปนะซึ่งเราสามารถสัมผัสด้วยประสาททั้งห้าทำไมเราจัดการไม่ได้แต่น้ำเนี่ยเราสัมผัสประสาททั้งห้าไม่ได้ใช้สัมผัสที่6กคืจิต เราจัดการมันได้เลยอ่ะแต่รูปเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ได้ภาษาทั้งห้าทำไมจัดกาไม่ได้แต่เราต้องมีการเรียนรู้นะมีการเรียนรู้การสัมผัสเข้าไปซึ่งตรงเนี้ที่ว่าธรรมะ ร, รักษาคนมัน ร, รักษาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามเวรกรรมลมจะหายเองธรรมะคือการทําลงไปนั่นแหละอย่างเมื่อคืนอย่างยมสมพรอาจจะเป็นแอสมาที่หืดหอบหืดจนกระทั่งว่าจะตายอ่ะช็อกไม่รู้กี่หุะนะ่ะ แต่เนื่องจากว่าเราใส่วิชานี้วิไลกายสู้บอกให้ดื่มน้ำปัสสาวะก็ดื่มเออเรื่องน้ำปัสสาวะก็เหมือนกั น, นช่วยได้เยอะเหมือนกันทำวิตฮอกทําเรื่องอาหารปล่อยสารพิษทาทุกอย่างในที่สุดแก่ก็รอดอย่างยมเบคนที่สองในก็พูดงแกเป็นไตร้อยไตร้อยคือไทยรอยอักเสบนะถึงขนาดว่าจะตายให้ได้ะแต่พอเราให้ข้อมูลเหล่านี้ไปแกก็ทําทุกอย่างแต่มันก็แปลกนะไหนที่มาแน่ไปเขาทาตามรอดทุกไลน์นะ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 กระเปน้ําบนพ่นน้ำหมาแกแหกใช้ไม้แหกใช้เขาแหกอมเหล้าพ่นลงไปใช่ไหมออมันก็ดีขึ้นมาเลยใช่ไหมแต่หารู้ไม่ว่าไ อ, ไอคนคนนั้นนมือสารพิษตกค้างในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วมันเกิดวิปริตขึ้นมาแต่ทีนี้แพทย์ทั้งเลือกอยังไม่เจริญเขาก็ต้องว่าผีไว้ก่อนเพราะอุปทานแต่พอไปหาหมอธรรมมันมีอุปทานทางนี้อยู่แล้วใช่หมอธรรม มาแหกแหกปัจจุบันคือเรียกกัวซาของหมอเขียวน่าดึงอ่ะนะว่เป็นอะไรก็กัวซาคือเอาไม้กัวซาพอดีมาให้โยมใช้อยู่เดนโยมที่เป็นนื้อมาพุกพาดที่มาปฏิบัติกับเราเนี่ยตอนนี้โมว่าเนี่ยโมว่าเริ่มเดินสองเท้าได้หลวงพ่อเมื่อก่อนมันเดินได้เท้าเดี๋ยวเอียงๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยเท้าสัมผัสดินมีครั้งแรกแกก็มีกำลังขยันแล้วก็ฝ่าเท้าเนี่ยเป็นจุดสูงรวมเป็นปอดที่สองของร่างกาย พราะฉะนั้นก็เลยมีดินอยู่ใกล้ๆสองสมควรบอกให้เหยียบให้หนักเหยียบลงไปเพื่ออะไรบทขยี้ของกลุ่มเลือดและไขมันอะไรไปจุกฝ่าเท้าตรงนั้นเลือดลมมันเดินไม่สะดวกบทมันลงไปบทมันลงไปทําให้เลือดลมที่ไปกระจุกตรงนั้นมันแตกกระจายพอแตกกระจายเลือดลมก็ผ่านที่เซลล์ที่มันตายไปมันก็ก็เริ่มฟื้นไอ้ที่มันทําถ้าจะอ่อนแอมันก็เข้มแข็งขึ้นไอ้เซลล์ที่ดีมันก็สร้างขึ้นมาใหม่ร่างกายเรามีศักยภาพสูงมาก ในการสร้างสิ่งป้องกันตัวมันเองแต่ว่าในอดีตเราทําร้ายมันมากเกินไปอย่างต่อเนื่อง5ปี10ปี20ปีทําผิดมาตลอดไอ้การทําผิดซ้ํซากเหล่านี้ร่างกายก็าทนไม่ไหวเรียกว่าวิบากกรรมใช่ไหมมันไม่ได้สิ่งนโอษมาแต่ชาตินู้นชาตินี้เรามาทําผิดในชาตินี้เองอะแต่มันทําผิดทุกวันทุกเวลานาทีอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้มันนั่นเรื่องของร่างกายสังขารเนี่ยเป็นของมองเห็นสัมผัสได้เราอย่าไป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 มากมายมหาศาลโลกเกิดผิดความสมดุลขึ้นมาด้วยความอยากใช่ไหมทําลายป่าไม้ภูเขาธรรมชาติจนกระทั่งว่าอุณหภูมิของโลกเปลี่ยนไปภูเขานักแข็งมัอยู่มาเป็นพันพนปีมัน ล, ลายหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นในทั น, นี้โลกก็ร้อนพอโลกก็ร้อนเพราะความร้อนของโลกมันไปแต่กับไอความร้อนเดิมในจุดศูนย์กลางของโลกคือลาว่าไอลาว่ามันก็แทรกแล้วเบิดขึ้นมาดิเพราะความร้อนมันจูนกับไอแสงพฟาดที่เนี่ยแล้วระเบิดขึ้นมาในทะเล เร้เบิดขึ้นมาอย่างแรงแล้วเป็นไงน้ำทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดซีนามิขึ้นมาเมื่อวานก็โดนแล้วใช่ไหมญี่ปุ่นโดนไปแล้ว 9.8.9 ลิตร์ใกล้ก็ไอ้เกาะฮอนชูล ก, ก็ยังสรุปผลไม่ได้มันเพิ่งเกิดบ่าย4โมงเมื่อวานเองมหายสาราเห็นเหมือนกับไอ้หนังวันสิ้นโลกอะ รถเรือพลิกความพลิกหงายกันบุ่มบุ่มบมบุ่มเกาะท้องเกาะไอ้นังไอ้อะไรคะนี่เงาสากิอะไรนี่ยก่อนนั่นแหะปัดจังหวัดนั่ น, นใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวนี้กำลังก็จะเกิดทางอินโดนีเซียอีกทางอเมริกาได้ฉะนั้นปีสิบสองที่เขาว่าไว้ก็ฟังฟั ง, ฟงไว้วางก็นแล้วกันถึงไม่ถึงไม่เชื่อทีเดียวก็ฟังไว้วางกันเพราะมันไม่ใช่ฝีมือของกาฝีมือของมนุษย์เองนี่แหละด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ แต่ความอยากสนองตันหาใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้พวกมันสมองทั้งหลายที่เป็นวิชาทิฐิทั้งหลายมันก็สร้างเทคโนโลยีต่างๆที น, นี้ก็เอามาใช้ระดับชาวบ้านแล้วทำให้ชาวบ้านสูญเสียศักยภาพในการดูแลตัวเองทุกอย่างต้องพึ่งพวกที่ไอเทคโนโลยีเหล่านี้ออกมาหมดมันก็ขายมันสมองอเมริกา ระ ด, ดับมันสมองวันวมันไม่คิดอะไรคิดว่าจะทําแพ็กเกจอะไรออกมาแล้วมาทําเงินได้ตลอดชีวิตไม่ต้องหาเงินอีกเราเป็นเศรษฐีที่อเมริกานะคนไหนไม่เห็นด้วยกันมันก็อไปบอมไปลบเขาให้ยุ่งทั่วโลกเนละเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปสอนคนอเมริกาให้สํานึกขึ้นมาโลกมันจะไม่มีอะไรเหลือนะเอามาต้องไปในจุด น, นั้นนะฉะนั้นเอง ว่าหลวงพอทําไมไปเมกาเอา้ามันเป็นคนสร้างความเดือดร้อ น, นให้แก่โลกถ้ามันไม่หยุดเหตุตรงนั้นนะ่ะเราจะเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรทันไม่ทันก็ต้องทําไว้ก่อนนะดีก็ไม่ทํานะดังนั้นเองก็เมื่อเราไปอบรมที่นั่นเราได้คนที่เป็นกูแจขึ้นมารัดละคนละคนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเวลาจะจัดอบรมอะไรทีเขาก็เป็นคน o r g a n น z e กลุ่มขึ้นมาก็นิมนต์หลวงพ่อไปนะ รัดไหนที่พร้อมก็เอารัดนั้นก่อนก็ไปทำอย่างเงี้ยแต่ละรัดก็จก็ไปฝึกคนเหล่านี้ขึ้นมาก่อนคนที่ก็มีความเสียสละความตั้งใจเนี่ยอย่างน้อยรัดละคนและคนเหล่านี้เขาก็จะไปรวบรวมเข้ามาฝึกปฏิบัติรานนั้นเองประเทศไทยเราไม่มีปัญหาถึงขนาดนั้นก็เรียกว่าเรามีพระสงค์ทำหน้าที่ตรงนี้นะถึงแม้โยมบางคนดังโยมที่ที่เมืองไทยนี่อ่าอย่างที่ ทาเหนือเนี่ยามาก็ได้ยงพิกุลทำหน้าที่แทนแล้วอ่าทางอีสานได้ไม่อ้วนนี่ก็มาช่วยคือม่คนเหล่านี้ต้องผ่านจากการทําครัวมาก่อนนะฮแล้วก็ฝึกจากการทําครัวนั่นแหละเขาก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาฝึกไปอเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะได้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมาเป็นตัวแทนผู้ชายไม่ก็ได้เพราะผู้ชายนี่ส่วนใหญ่ก็ไปนรกกันนะนะั่นนะเพรอะไรเพราะมันมีความมั่นใจเนาะมีอัตราสูงอีโ้สูงนะฮะ แล้วก็ผู้ชายในยอดความบทนต่ำกว่าผู้หญิงดนะังนั้นเองก็ก็พระก็ได้พระนะที่เป็นผู้ชายก็ได้พระนะอย่างจารย์คมจิตจั์ดวงศินจั์สุริยาอย่างเงี้ยขึ้นมาจันเกษินจันศรีดาทางตะวนันออก ก็รุ่นแรกที่มาตอนหลังมาพระก็บนไอ้หลวงพ่อไปทํางานแต่มีการพระรุ่นรุ่นใหม่ไม่เกิดเลยเอาไปฝึกกันมาพอแล้วคุณก็ช่วยเหลือตัวเองบ้างได้คนที่อเมริการสร้างความเดือดร้อนใะห้แก่โลกนะมวลมช่วยเมืองไทยองเงี้ยมันไม่ทันการนะโลกมันจะระเบิดเท่ากันนะี่ยต้องไปทํากันนะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่แต่ว่าพวกทีวีพวกหนึงซื้อพิมพาเรื่องหเหลือเกินหาเรื่องเดียวมาไปออรรายการนะมัาก็หลบมันอามาไม่ต้องการโชว์แบบนั้น พ่อเราถ้าไปชูแบบนั้นเราไม่มีเวลาที่มาทําการงานแบบนี้เราก็กลายเป็นพระไปตามกระแสแล้วคนที่มาตามกระแสก็ไม่ใช่ว่าคนจริงใจอะไรมากมายนะแล้วแต่ว่ากระแสไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นแล้วก็พระที่ไม่รู้จักเรื่องเหล่านี้ก็เสียเวลากัดตัวเองไปกับสิ่งเหล่านี้เอามาหลบหลือเกินนะพวกนี้ตามนะตามสัมภาษณ์ตามนะเอามาก็หลบไม่เอาเพราะว่า เรื่องนี้เรื่องพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องเป็นบิสิเนสไม่เรื่องกระแสแต่เป็นเรื่องความเป็นความตายของมนุษย์ของโลกเป็นเรื่องของเป็นตายข้ามภพข้ามชาติคุณจะมาทําเล่นไม่ได้คุณจะจับพระที่ทํางานเลาไปเป็นดาราแบบพวกคุณพระก็จะไปยืนอยู่ไหนอ่ะอชาวบ้านตามล้อมล้อมไปหมดพระมา ก, ก็ดนไปหลายโอมเหมือนได้สึกไปหลายโอมเลยเพราะว่าอะไรฝึกยังไม่เสร็จรีบไปตั้งสํานักรีบไปเผยแผ่นะแหละไปเช็ควิชาไม่จบวิชานะ อาจารย์ครูกีนี้ท่านทนอยู่ท่านยืนจะมานาน mm hmm. ก็เรียกว่าถูกบทถุกอัดขนาดหนักเมือนกันแล้วนี่แต่ก็ทนได้นะเพราะฉะนั้นใครทนอยู่ได้ก็เรียกว่าได้วิชาไปก็ปช่วยกันทํางานได้ยั่งยืนดังนั้นการสร้างบทสิบหลังเนะี่ยไม่เท่ากับสร้างพระองค์เดียวนะใช่ไหมสร้างบทได้สร้างแล้วไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่สร้างพระนี่ถ้าทําได้ก็ทํางานไปได้ทั่วโลกเลยดังนั้นก็ปีนี้ก็ได้ทางภาคกลางก็ได้อาจารย์มหาสุรินขึ้นมาอีกองหนึ่ง กพิธีก็เลยว่าส่งไปทําไ ป, ไปอบรมพัฒนบรมทุตจะไปทํางานที่มีการต่อทานเจ้าคุณยงยุทธนะเจา้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีที่เคยไปปฏิบัติที่แพร่แสงเหตุในกาตมาก็อันนี้ก็เลยรับงานทางด้านบริหารทางสังคมไปเพราะฉะั้นเรื่องนี้ถ้าหาพระผู้หลักผู้ใหญ่เราสนใจเรื่องนี้นะอย่างจริงจังนะย่งเข้าใจนะประเทศไทยของเราเป็นแสงสว่างของโลกทีเดียนะแต่เดี๋ยวนี้พระของเรามันผิดเพี้ยนไปเพราะว่ามันไปรับใช้สังคม ชุนชั้นมากเกินไปนแล้วก็สังคมไม่รู้ไม่ทันเขาสังคมชุนชันก็เพาไปเป็นเครื่องมือแต่ในที่สุดแเราก็เดือดร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเองเอามาเองก็เรียกว่าถูกหลายฝ่ายติดตามอยู่แต่ว่าจับตัวแ ต, วตวมาไม่ได้ว่ามาหลบไปนู่นลบไปนี่ก็จับตัวไม่อยู่หรอกเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าถูกตามล่าเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ใช้พระธรรมป้องกันตัวเอง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 แต่เราควยจะไปประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนมาแชร์กันมาแบ่งปันกันแล้วไปทำให้ถูกต้องแล้วก็ลดการอย่า ง, ยงโยมเบยเมื่อคือน น, ค น, นี่แค่ใช้เวลาแค่สามปีแค่นั้นเองโยมคนที่สองเนี่ยโยมคนแรกก็เจ็ดแปดปีเหมือนกันเรอกว่าแกมีสุขภาพมีปัญหาเยอะเรื่องสุขภาพก็ช้าหน่อยดังนั้นเรื่องเหล่านี้เราต้องศึกษานะเราก็ ไม่ต้องไปหวังให้ชีวิตเนี่ยร่ารวยอะไรมากหรอกแค่ว่าเรารักษาตัวเองเป็นดูแลตัวเองเป็นไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ประกอบอาชีพพออยู่ได้แล้วมีเวลาเหลือช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นแค่นี้ก็พอใจละชีวิตนะแล้วความประสบการณ์และความรู้ที่พวกเราเรียนมาเหลือเฟือก็จะทําแต่ที่นี้ว่าเรายัางตัวภูมิทําเบื้องต้นเนี่ย เกี่ยวกับรู้จักรูปจักหนามมาเน้นทุดดีก่อนเลยถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะยากถ้าเราไม่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงแล้วมันถอนสกยทิฏฐิไม่ได้ไงสําคัญว่าตัวเราของเราเพราะฉะนั้นอุปสรรคอันแรกคือสกยทิฏฐิต้องเปลี่ยนสกยทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้อย่างน้อยเปลี่ยนจากมิฉาทิฏฐิมาแก้ที่สกยตทิฏฐิพอแก้สกยตทิฏฐินั้นจะต้องแก้จะรู้จักตัวเองก่อนอันดับแรก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 นี่นาฬิกาชีวิต <c oughs> แต่และช่วงเวลาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่การที่เราได้ศึกษาแพทย์เพิ่มเติมศึกษาทางเลือกก็ตามคือเราได้จะรู้จักช่วงทํางานของธาตุพรเดี๋ยวนี้ก็มีศึกษาเรื่องนาะฬิกาชีวิตออกมาเยอะแยะใช่ไหมเราก็สนใจอ่านซะหน่อยว่าช่วงที่เช้าตู่ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ตีสอถึงเจ็ดมงเช้าเนี่ยมันเป็นการทํางานอะไรของธาตุแล้วคนที่จะใช้เวลาในช่วงนี้ทําอะไร จาก เ, จเช้าถึงเที่ยงเนี่ยเป็นการทํางานของาธาตุอะไรเราควรจะใช้เวลาตรงนั้นทําอะไรแล้วจากเที่ยงไปถึงบ่ายสามโมงเนี่ยเป็นการทํางานของาธาตุอะไรเขก็ดูเราจะไม่แปลกใจว่าทาไมช่วงเนี้ยอาการเราเป็นแบบนี้ช่วงนี้เราอารมณ์ทําไมเราเป็นแบบนี้เพราะเป็นการการทํางานของาธาตุแต่ละช่วงไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจาธาตุขันของเราแล้วเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยเราก็ไปคิดคิดคิดคิดใช่ไหม ให้ทำไมจนบ่ายมันง่วงเหลือเกินนะจนเช้าดีๆนะจากช่วงเที่ยงมาถึงบ่ายสามสี่โมงทำไมมันง่วงมันหนักมันเพลียมันเหนื่อยเหลือเกินอะไรตนะ่างช่วงนั้นเป็นการทํางานของธาตุไฟร้อนใช่ไหมเพราะธาตุไฟต้องทํางานในช่วงนั้นพอหลังจากทานอาหารแล้วธาตุไฟต้องทํางานในการย่อยอาหารแต่ธาตุไฟอันนี้ถ้ากระทบกระธาตุไฟข้างนอกบวกเข้าไปอีกน่าร้อนเราก็กระวนกระวายใหญ่แต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเรื่องเวทนาะไม่เข้าใจเรื่องการทํางานของธาตุเราก็ปั่นป่วนเลยคิดสารพัดอย่าง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 แต่ถ้ารู้จักรูปนามตามความเป็นจริงคูณจะทดสอบก็ได้นั่งนานมันเป็นอย่างไงปวดมากเป็นยังไงปวดน้อยเป็นย่างนั้นในกรณีคนเข้าใจรูปนามแล้วจะศึกษาได้แต่คนยังไม่เข้าใจรูปนามก็เวทนาของกูกูปวดอกูเมื่อเนี่กูไม่สบายเป็นกูปมดอ่ะมันไม่ใช่รูปปวดนามปวดอะมันเป็นกูปวดหมดอ่ะมันก็ไปบีบจิต ด, ดิเพราะเป็นอัตตาใช่ไหมเพราะมันเป็นของเราอ่ะมันก็ไปสําคัญมั่นหมายของเราเสร็จแล้วก็ทรมานทั้งภายนอกภายในถึงจะอยู่ได้อ่ะ คนก็ห่อผากลับบ้านไปเลยแหละเพราะกูมาทุกทนทุกข์กทนยากทําไมกูอยู่บ้านกูมีลำบากขนาดนี้เยอะไหมมันกูขึ้นมาหมดมันเราขึ้นมาหมดอะ่ะนี่อัตตามันก็มีผลทําให้เราต้องคิดต้องปรุงต้องแต่งแต่เราเห็นว่าเออนี่เป็นเรื่องของรูปก็แก้ไขไปตามเหตุปัจจัยสิใช่ไหมมันปวดตรงไหนก็แก้มันไปที่เรามาเฝ้าดูตัวนี้เพื่ออย่างเพื่อแก้ไขเพื่อไขคือสมุทยัยเหตุของทุกต้องรับการแก้ไขรับการบําบัดและเยียวยา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 ต้องเข้าใจให้ชัดว่ารูปคืออะไรน้ำให้มันรู้หลายๆรอบรู้จากรูปจากน้ำนะเหมือนเลยซักผ้าเนี่ยซักน้ําเดียวสะอาดนะไม่สะอาดหลายๆน้ํายิ่งหลายน้ํายิ่งสะอาดรู้รูปน้ำหลายๆรอบยิ่งจิตก็ยิ่งสะอาดขึ้นเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะมันจะไปละลายความยึดมั่นถือมั่นละลายอัตตามาณทิฏฐิออกไปชําระออกไปเหมือนเลยซักผ้าเอาสิ่งสกปรกออกใช่ไหมดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรื่องของรูปเนี่ยเรานึกถึงรูปธรรมอะ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 สามวันเนี่ยเช้ามันเป็นยังไงร่างกายปวดมันเมื่อยมันอยากเข้าห้องน้ำมันไม่สบายมันอึดอัก็เฝ้าดูนไปแก้ไขบาปมันไปนะช่วงสายมามันเกิดมันหิวมันต้องการอาหารก็บาปมันไปดูวงจรเออกินเข้าไปแล้วมันธาตุไฟออกมาทํางานหนักทําให้ประสาททุกส่วนตาวหูวใจมุกลิ้นกายมัน เฟตมันหมดพลังลงมามันต้องไปรวมกันทํางานเพื่อย่อยอาหารให้สลายตรงนั้นมันก็เกิดง่วงเกิดซึมเกิดอยากนอนขึ้นมาเห็นไหมเพระรู้เท่าทันอย่างนี้แล้วก็แก้ไขไปตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเหล่านี้เป็นไงมันก็ไปแก้ที่ปลายเหตุเออง่วงฉันก็ไปนอนซะไอ้ทานองนี้นะอ่ามันเหนื่อยฉันก็ไปพักซะไอ้ทำนองนี้แล้วไม่ได้ศึกษามันเหนื่อยเพราะอะไรมันง่วงเพราะอะไรแต่ถ้าเรารู้อย่างรูปจากนามแล้วเราก็จะไม่ไม่อิกนอคือไม่ไม่ไม่ละเลย ไม่ทอดทิ้งในการทีร่จะศึกษามันอ๋อเป็นอย่างนี้เองไอ้ตัวที่เราไปศึกษาทุกและเหตุเกิดทุกเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรเกิดการแก้ไขคือมรคมรคคือตัวแก้ไขอ่าเมื่อแก้ไขแล้วสิ่งเหล่านั้นได้ดับไปหายไปเป็นอะไรก็เป็นนิรโรธใช่ไหมดับไปแล้วอริยสัจสีก็ทํางานอยู่อย่างนี้อย่างมีสติมันก็เกิดปัญญา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 หายใจไปยังไงหายใจลึกไปยังไงหายใจสั้นไปยังไงหายใจตื่นไปไก็เฝ้าดูนั่งอย่างนี้นานไปยังไงแล้วก็ทนดูมันเพราะฉะนั้นระหว่างคนเบื้องต้นเนี่ยก็ให้เปลี่ยนบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อใจพอทนได้แต่คนที่รู้อารมณ์สูงขึ้นไปแทนที่จะเปลี่ยนทุกห้านาทีเปลี่ยนทุกยี่ิบนาทีสาสิบนาทีก็ได้แต่คนที่เลี่ยดสูงขึ้นไปเปลี่ยนทุกหนึ่งชั่วโมงก็ยังไหวมัน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 ใช่ไหมโอ้ฉันมีไฟฉายเหมือนกันฉันไม่ไดเอามาเรื่อไม่กุติฉันก็เลยผ่าเดินฝ่าความมืดมาใช่ไ<ช>มตอนกลางคื น, นทําไมจึงเปรียบชีวิตในตอนกลางคื น, นก็เพราะว่ามันเรายังไม่รู้อ่ะไม่รู้กาตามความจริงไม่รู้ใจตามความจริงเราก็ยังอวิชชายอยู่ก็ยังมืดอยู่เพราะนั้นเราจะเป็นต้องมีไฟฉายเพราะฉะนั้นการที่เราฉายแสงสติลงไปในกายใน ใ, นใจคือมีตัวนี้เป็นสวิตคอยปิดเปิดอยู่ประจำอันนี้คือเราต้องทำบางทีทําหนักทําเบาทา ค่อยทำแรงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชัดเจนแค่ไหนถ้ามันไม่ชัดทําให้หนั ก, นกๆทําให้เร็วๆถ้ามันชัดอยู่แล้วก็ทํำเบาๆชา้าๆก็ได้อันนี้วิธีใช้นะฮะเพราะฉะนั้นการขยับปรับเปลี่ยนอิเดียบทมีความหมายในการศึกษาหมดเลยนะการหายใจผ้าตาปากเลีวไส้ไลลคอกม้มเงยหยิบหยับยับช่วยมีความหมายหมดขอให้มีสติรู้เข้าไปการสติรู้เข้าไปแต่ละครั้งมันหมายถึงแสงสว่างของสติได้เพิ่มขึ้น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 สองพันสามพันก็ได้แต่ทำกุฏิมุงยาคาพอได้อายไซไม่ไผเรามม่ยืแยงหลังนั่นเองฮะเออแต่หลวพ่อทำไม่ถึงนะเพราะอะไรเพราะยาคาเราก็ไปจา้างเข้ามาไัยเองเอามาทำยาคาไว้ที่นั่นเยอะเลยอ่าแล้วก็ทำยาคาถ้าเราไปซื้อเขาตับสิบห้าบาทพอเราทำเองจับแล้วเจ็บาทอย่างงี้นะมันก็ประหยัดกันเยอะ ออมาก็เลยให้จ้างให้ชาวบ้านไปเกี่ยวยาคามาไมาส้สางม้ไผ่ไว้เรียบร้อยเนี่ยได้เป็นนั่นเกยจะทํา ท, ที่วัดดอยเหมือนกันดังนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็เหมือนเหมือนแหลมมนะันอะไรสร้างแหลมแหลวันนี้ก็ไม่ใช่ไปสร้างเป็นแสนเป็นล้านนะสร้างแค่ไม่กี่ตังค์นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอสไตล์กุฏิเกบอารม์ทียมออกแายครั้งแรกที่วัดป่า วัดชัยมคลที่หนองบหลอดกลายมาเป็นสไตลกุฏิกัลมทั่วสำนักเลยเดี๋ยวนี้นะอยู่หมาว่ามีที่เดินที่ยืนที่อะไรในตัวเดี๋ยวนี้พัฒนามามีที่นอนที่ห้องน้ําแล้วก็ที่ดึงกลมในตัวก็แล้วแต่ราคามันนะแต่ว่าเบื้องต้นในใช้กุฏิยกคาไปก่อนเป็นธรรมชาติดีเพราะนึกถึงสมัยที่ไปสร้างแพร่แสงเทียนกุฏิยกคานกเก็บอารมณ์ได้อารมณ์ดีเหลือเกินนะเพราะมันได้สัมผัสความจริงเดี๋ยวมดมาเดี๋ยว ใส่เดือนมาเดี๋ยวกิงกือ <c oughs> เดี๋ยวกิงกือมาเดี๋ยวตะข่าบมาเดี๋ยวมึงป่องมาต้องและมันระวังตลอดอะนะฮะ <c oughs> บางคนนี่ก็ถูกตะข่าวต่อยจะเอาไปโรงพยาบาลกันเลยพอจะเข้าไปนอนแบบไม่ระมังระวังใช่ไหมหน้าฝนหน้าหนาวมันก็เข้าไปนอนอุ่นๆบางคนก็เจองูเ ง, งี้ยจนมาหลังมาเราก็มีคนที่ฮ <c oughs> ในเมืองมาปฏิบัติกับเรา